เพ่อฟังข่ารายการสัมสนิสนทนาดําเนินรายการโดยสัมสนีน่าพงกําลังจะไปพบกับพระภิกษุรูรปที่สองในรายการแล้วนะคะนั่นคือพระภับูลอภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีค่ะกราบลงมัธการาาค่ะท่านคะเบญบอลค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราฉกฉวยยามเช้ากิจยังไม่วุ่นวายเท่าไหร่ของคนส่วนใหญ่มาฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ กับทุกๆชีวิตทุกๆขั้นตอนของชีวิตด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพุทธวจนะจากพระโอษฐ์และช่วงเวลานี้ก็ชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะมีธรรมอยู่ตรงไหนบ้างในเรื่องทั่วไปที่เราพบป ะ, จะเจอกันหรือว่าจะตรงไปเลยถึงวิธีการฝึกตนปฏิบัติตนตามสิ่งตามวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้กาวนวส ก, การกับท่านินบูลค่ะเจิมพันเน ค่ะวันนี้ดิฉันอ่านหนังสือพิมพ์คนจิงก็หลายวันก่อนเนี่ยนะคะบอกว่ามีเป็ดแสนรู้ค่ะมไม่เดินตามก็เดินนำหน้าพระสงค์ออกบินฑบาทแถวแถววัดป่าดอนหายโศกมีบ้างไหมคะ อ, อไม่มีเป็ดนี่ลงมอมาแล้วเขาไปเ <c oughs> ขาบอกว่าเป็นเป็ดที่พ่อค้าเป็ดเนี่ยผ่านมาแถววัดแวะเข้ามาพัก ตอนไปลืมเป็ดไว้ตัวน์ oh. พระก็เลยมาเลี้ยงชื่อเจ้าบุญหลงอ hmm. บอะว่าเป็นเป็ดไทยนะคะแต่ว่าชอบติดตามท่านจอบวาดเนี่ยเข้าห้องนอนก็จะมานอนที่ห้องชอบไปนอนทับรองเท้าพอท่านเดินไปบินทบาตก็จะเดินไปกับพระไม่ดื้อไม่โซนไม่กลัวคนเดินร้องกราบกราไปทั้งเดินหน้าแล้วก็ตามหลังจนกระทั่งเดินกลับวัด ชาบ้านที่คุ้นเคยก็เลยเมตตาให้อาหารเป็ดกินอ hmm. แล้วก็ชาวบ้านก็เลยเอามากล่าวขวัญกันใหญ่นะคะว่าเป็นเป็ดพิเศษถึงขนาดที่บอกว่าเวลาคนมาทําบุญเมื่อเจ้าเป็ดไปกับพระอาจารย์ใช่ไหมคะอื hmm. ถ้าใส่ซองทําบุญให้พระอาจารย์อย่าลืมใส่ซองให้เป็ดด้วยอะไรอย่างเ oh. งี้ยบอกสุดทึ่งไม่เคยเห็นเป็ดฉลาดแบบนี้ hmm. ถ้าจะให้ธรรมะผู้ที่มีความรู้สึกอย่างนี้จะออกมาในทิศทางไหนคะเนี่ยตรงนี้บอกได้เลยเพราะว่า อย่างกรณีของเป็ดเนี่ยเราเห็นว่าที่ที่เราเขามาลงข่าวเนี่คุณผูมติว่าอะไระเพราะว่าเป็ดเนี่ยยังมีความกระตันยูกระตับเวทีเป็นมาในเจ้าว่าที่เลี้ยงตัน้นหรือว่าคนที่เขายังรักษามันอยู่แค่นี้ขนาดสรรัตว์เดรัจฉานนะคุณผยมติวที่แสดงธรรมะออกมาในในการกระทําของตัวเขาเองนะซึ่งในกรณีนี้คุณธรรมที่เราพูดถึงคือความกระตันยูกระตัวเวทีก็ยังมีคนยกย่องถึงขนมาเอามาลงหนังสือพิมพ์ เพราะนั้นธรรมะเนี่ยมันอยู่ทุกที่ทุกคนต้องการหมดนะขนาดว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางทีมันแสดงออกขา ด, ขาดเกินเกินบ้างใช่ไหมอย่างเป็ดอย่างนี้เป็นต้นหรือสุ น, นัขที่มีความกระตันยุต่อเจ้าของมีความซื่อสัตยงง์อย่างเงี้เราก็ยังยกย่องเ้าอย่างเงี้นะซึ่งแต่ละตัวก็มีความการแสดงออกคุณธรรมนี้ไม่เหมือนกันเราก็ยังยกย่องงันกะลับมาพูดถึงคนขนาดสัตว์บางอย่างบางตัวบางชนิดเนี่ย มันมีคุณธรรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยคุณเป็นมนุษย์คุณเป็นสัตว์ที่มีความคิดความอ่านความประเสริฐี่ยคุณธรรมตรงนี้เราเรายิ่งจะต้องเอามาส่งไว้ในจิตเพื่อความเป็นประเสริฐความเป็นอริยะของเราของมนุษย์น่ะค่ะซึ่งตรงนี้บอกอีกอย่างหนึ่งด้วยว่ามนุษย์เนี่ยอย่างเราสัตว์เนียบางตัวมันยังเลือกสร้างสรรค์คุณธรรมเหล่านี้ได้แต่เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเรา มีความเพียรที่จะละไอสิ่งที่ชั่วๆออกไปได้แน่นอนมีความเพียรที่จะทำสิ่งที่ดีๆเข้ามาในตัวเราได้แน่นอนนะแล้วมันต้องการทุกที่นะคุณโยมติว๋วอย่างในบ้านในที่ทำงานนะถ้าเรามีธรรมะนะตรงนั้นก็สงบสุขนะในคุกในตารางก็ยังต้องการธรรมะในสนามรบสนามหลวงก็ยังต้องการธรรมะทุกที่เลยประเด็นนะมันคือว่าเมื่อทุกคนต้องการธรรมะอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่คนเนี่ยผลิตเนี่ยมีน้อย นะคนต้องการมีมากในเมื่อความต้องการมีมากความผลิตมีน้อยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไม่สมดุล น, นะนะถ้าทางเศรษฐศาสตร์ดิมายสปลาดมันดีมานกับสป라이ดไม่เท่ากันนะของที่มีดีมานสูงๆนะแต่สป라이ต่ําๆเนี่ยมันก็จะราคาแพงนะคนก็จะเรียกร้องหาธรรมะบางคนไปประท้วงเพื่อขอให้คุณื่นมีธรรมะก็มีนะ <c oughs> จริงๆแล้วธรรมะเนี่ยผลิตได้ที่ใจของเราอยู่ที่ใจ นะีไม่ได้มีค่ามีราคาค้าขายเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเป็นของที่หาค่าไม่ได้ถ้าเรามาผลิตธรรมะกันดีกว่าอย่างในค ร, รนนอบครัวนะคุณฟังรายการธรรมะไหมเนี่ยคุณฟังด้วยแล้วคุณไปทำด้วยคุณพูดดีๆกันไหมเนะีคุณมีเมตตากันไหมคุณไม่เบียดเบียนกันรหรือเปล่าเนะี่คุณให้ปานกันนะีคุณเป็นคนที่มีความเมตตากันอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้คือเราผลิตธรรมะแล้วเราผลิตธรรมะออกแจกใจทุกคนใจแต่ทุกคนเนี่ยยิ่งสบายเป็นตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเตือนสติให้ใ เรารู้ว่าเออเราควรผลิตธรรมะนะเป็นยังผลิตธรรมะได้เลยไม่ได้ไปลงไปทําทลาบอย่างเดียว <c oughs> ืมค่ะดิฉันก็เกรงใจพระอาจารย์เหมือนกันนะคะเพราะว่ายกตัวอย่างเรื่องที่มาถามธรรมะเนี่ยคืออยากจะทดลองดูค่ะว่าที่มีคํากล่าวว่าในทุกๆ ท, ที่มีธรรมะน่ะจริงหรือไม่อืมก็ ก็อย่างที่เห็นนี่แหละจริงเนาะแล้วอสมมุติเอาสิ่งไม่มีชีวิตเป็ดนอนอยู่บนรองเท้าเอารองเท้านั่นแหละมาพิจารณาดูเอาแค่พูดถึงรองเท้าเนี่ยเราจะเห็นธรรมะอยู่2 อ, อย่างละอย่างหน่อย อ, อย่างแรกที่เห็นเนี่ยเราจะเห็นถึงโทะเจ้าเคยยกตัวอย่างเจ้าด้ามเครื่องมือของช่างไม้ใ น, นที่มันจะค่อยๆสึกไปเช่นเดียวกันกันกบรองเท้าเนี่ยก็เราจะค่อยๆสึกไปค่อยๆสึกไปนีปเปรียบเทียบกับเวลาที่เราเดินตามมัก เดินตามมาร์ปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นนะกิเลสของเรามันจะค่อยๆลอกอกลอกออกล อ, อ ก, ล อ, อ, กลออกไปความไม่ดีในจิตของเราก็จะหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไ ป, ๆๆไปเช่นเดียวกันกับรองเท้าเราใส่ไป3ปี5ปีอ้าวโบ๋เลยต้องซื้อใหม่คือขอให้ทําแต่ถ้ารองเท้าคู่ไหนไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้มันก็อยู่อย่างนั้ น, นไม่ศึกสติเพราะฉะนั้นเราต้องทําบ่อยๆทําบ่อยๆมาร์กเนี่ยนะเดินตามมาร์กบ่อยๆมันก็จะค่อยๆลอกออกไปหลุดออกไปนะเจ้ากิเลส ต, ตั้งหลายแหล่ อันนี้คือธรรมะข้อที่1นึ่งค่ ะ, ะธรรมะข้อที่2เราก็เห็นอีกอย่างหนึ่งถึงความที่มันมันไม่เที่ยงนะของสิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกุญแจมาตรงไหนเนี่ยบอกได้ทันทีมีธรรมชาติอย่างเดียวกันนั่นะคือมันเปลี่ยนแ ป, ปลงไปแตกสลายไปได้แตกสลายไปได้ด้วยความร้อนความหนาวความหิวความกระหายความเหลือยุงลมแดดอะไรต่างทั้งหมดเลยนะแตกสลายได้หมดแน่นอนค่ะ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งขธรรมะและอย่างฟังเพลงคือดิฉันเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงมานานแล้วนะคะแต่ระยะหลังมีความรู้สึกว่าเราฟังไว้บ้างก็ดีนะเพราะว่าเรายังจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนวันหนึ่งก็ได้ฟังเพลงที่ก็พูดถึงว่าสิ่งที่ทุ่มเททำให้กับคนคนหนึ่งมันเหมือนกับฝนที่ตกลงไปในทะเลมันคล้ายๆมันปริมาณมันน้อยมากมันเลยหายไปกับน้าทะเล ถ้าพูดแบบนี้อันนี้มันเป็นเรื่องโลกมากเลยในการงานแล้วก็ถ้าคิดแบบโลกโลกเข้าใจคิดดีเนาะมันสามารถที่จะเปรียบเทียบเห็นภาพได้ชัดดีเป็นเหมือนน้ำฝนอยู่ในมหาสมุทรมันก็เลยมองไม่เห็นแต่ทีนี้ถ้ามองแบบธรรมะธะะรรมะอ่าครูยอบอกอย่างนี้เห็นแน่นอนมีพุทธวจนะบทหนึ่งเออเรองบทเพีารชที่เปะ๊ปะเนี่ยแต่มายังจาไม่ได้เป๊ะนะ มีโดยอัตตาอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าประมาทาบุญแม้หน่อยหนึ่งนะบุญแม้นิดเดียวเนี่ยอย่าประมาทเปรียบเหมือนกับน้ําที่หยดลงเนี่ยหยดเดียวเนี่ยมันก็มีคุณค่านะคืออย่างอย่างเราเปรียบเทียบกับฝนที่มันมันตกเนี่ยแตพระพุทธเจ้าพูดถึงฝนที่ตกลงบนภูเขาเนี่ยตกตกตตอยู่แนะมันก็จะทําให้ห้วยหนองซอกเขาซอกผานี่เต็มมีน้ําเต็มนั้นตกอยู่อีก ซอกเขาซอกคุยซอกฝ า, าน้ำเต็มแล้วบึงน้อย hm. น้อก็เต็มในบึงน้อยเต็มฝนยังตกไม่หยุดตกเรื่อยๆตกทีละเม็ดนี่แหละนะก็บึงใหญ่เต็มบึงใหญ่เต็มฝนยังตกอยู่แม่น้ําน้อยเต็มไม่น้อยน้ำแม่นม้ําน้อยเต็มแม่ น, มน hm. ม้ําใหญ่หญก็เต็มคือตกไม่ก็ตกทีละเม็ดเท่านั้นเองนั้นะเราอย่าไปดูห ม, มิ่นบุญแม้น้อยนิดนะทําได้อนนี้ส่งแน่นอนมีตัวอย่างหลายอย่างที่พุทเจ้าย่อยให้ฟังในทางกลับการบาปแม้นะ้อยนิดเราก็อย่าประมาทนะงูพิษนิดเดียวเราอย่าประมาท นกกองไฟกองเล็กๆอย่าประมาทนกะงูตัวเล็กๆอย่าประมาทนะัสามเณรตัวเล็กๆอย่าประมาทนะพระราชาที่ยังเด็กอยู่อย่าประมาทพวกนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าแม้น้ําทะเลหยดเดียวเราอย่าประมาทนะว่ามันน้อยค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไปในทิศทางที่กลับกันกับตัวอย่างจากในเพลงที่พิชญ์ฉันยกมาถามเพราะนั่นเหมือนกับว่าโหยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่หายไปเลยแต่ถ้าพระพุทธองค์ตรัสเนี่ยจะเป็นอีกทางหนึ่งเหมือนกับเอา กะละมังใหญ่ๆอะไปรองน้ําฝนที่หยดรั่วมาจากหลังคา อ, อย่างนี้ได้ไหมคะใช่ใชพอเราไปนอนมาแค่ครึ่งคืนลุกมาเข้าห้องน้ําตายละกะละมังเกือบล้นแล้ดีนะที่ตื่นมาทันซะก่อน อ, อย่างนี้เป็นต <ขอ S 2> ้นต น, นะคะ น, น่าจะอ่าเป็นเป็นท่านองนี้ทีนี้ท่านค ะ, ะสมมุติในกรณีเหตุการณ์ที่ผ่านมาน้าําท่วมจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยอืมก็มีคนกขาบอกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงท่วมกว่ากันดีแล้วอย่างง้นอย่างนี้อคําตอบก็คือว่า พนังกั้นน้ําที่ทํามานานแล้วออืเกิดถูกน้ํากัดเซาะด้านล่างอ oh. ช่องเล็กคงจะเล็กไม่ได้ใหญ่มโหัวรานแต่ว่าก็สามารถทําให้น้ําไหลเข้ามาท่วมเมืองได้ถ้าอย่างนี้จะเป็นธรรมะในลักษณะเดียวกันไหมคะว่ามีทวพระรูชาเคยยกตัวอย่างพูดถึงกําแพงอะนะ อ, ะอะกําแพงเนี่ยถ้ามันจะป้องกันได้เนี่ยพระรูชาพูดถึงต้องชาบอย่างดี นะไม่มีช่องแม้แต่ว่าแมวจะรอดได้หรือว่าหนูจะรอดไดนะ้แล้วก็พริพุทธเจ้าท่าน菩萨ทีบุตรเนี่ยเคยเปรียบเทียบอย่างนี้นะ เ, ปเปรียบเทียบเหมือนกับเมืองชายแดนของพระราชาเนี่ยนะที่เป็นเมืองที่มั่งคั่งเนี่ยเป็นเมืองที่กังข่อยป้องกันเนี่ยกำแพงเมืองเนี่ยเขาทำอย่างดีมากเลยนะมีการทำคานมีการทำเสาขึ้นมาใช้หินอย่างดีในะกำแพงเนี่ย เทคโนโลยีสมัยก่อนมันต้องให้มีรอยต่ออะไรอะไรเพื่อที่เป็ น, เ ป, นเป็นลักษณะเทคนิคการก่อสร้างเขา oh. แต่ว่ากรแมงนี้สร้างอย่างดีไม่มีรอยต่อเลยไม่มีช่องแม้ให้หนูหรือแมวเข้ามาไม่ต้องพูดถึงสัตว์ใหญ่ใหญเนะีเช่นคนเช่นมา้าหรือเช่นอะไรที่เขาจะมาบุกได้นะั้นพระไซดบุก็จะมีความมั่นใจว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยมันต้องเข้าช่องเดียวเท่านั้นคือทางประตนะูทางประตูเท่านั้นทีนะ่เป็นตัวจุดสกัดได้ oh. ก็จะเปรียบเทียบคือนี่เป็นตัวอย่างยกให้ฟังว่าไอ้กำแพงที่จะต้องคอยป้องกันเนี่ยนะมันต้องฉาบเนียบอย่างนี้นะมันต้องรายละเอียดมากอย่างนี้นะเพื่อที่จะคอยป้องกันได้จริงๆแล้วเราเดือช่องทางเดียวที่ให้มันไปเราคอยป้องกันช่องทางนี้อย่างกรณีของน้ําท่วมสุโขทัยใช่ไหมก็คือว่าทุกตลอดแนวคุณต้องป้องกันอย่างเงียบนะแล้วคุณมาระบายน้ําช่องนี้ช่องเดียวคือให้มันลงทะเลไปให้มันไปทางใต้เราก็จะคอยป้องกันได้ แต่มันดันไปรั่วจุดที่เราไม่ได้ป้องกันนะ่ะคุณยมติว๋วพลาดเลยพลาดเลยพอพอพลาดอย่างนั้นก็เลยเละเลยคนนี้ท่วมเมืองเลยอืมนะคะก็เห็นอะไรพยายามเ อ, อธมาธรรมะเข้าไปจับกันแล้วกันนะคะอืมแล้ ว, แ ล, วแล้วตำแหน่งจุดที่ท่วมนะบอกขึ้นเลยก็ได้ไม่มีใครไปดูตรงนั้นนะเพราะไม่ได้เป็นตำแหน่งที่เราจะต้องไปคอยป้องกันแล้ว ค, นะคนก็จะมาป้องกันอยู่ตรงที่ประตูน้ําบ้างตรงตำแหน่งที่มันมีปั๊มบ้างอย่างเงี้ย มาคอยตรวจ<ะ>ดูตรวจดูแต่ไอ้ตรงน้อยนิดตรงเนี้ยโอ้โหแนวกําแพงยาตลอดอ่ะเราไม่ได้ไปคอยดูรลยจึงต้องต้องคอยตรวจสอบอยู่เรื่อยๆ น, นะอืมค่ะแล้วสอเปรียบกับการที่เราฝึกจิตฝึกใจของเราละคะ่ะก็คือเปรียบเหมือนกับการที่ใช้สติไงนะสติเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยไปตรวจสอบนะคุณมีการปิดกัน้นอินทรีย์ไหมมันหกมาหกทางนี้แน่นอนนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหกช่องทางนี้นะเอาวตาปิด ปิดตาซะหูปิดอยู่ในที่เงียบๆซะนะไม่ต้องกินอะไรนะกินมื้อเดียวพอลิ้นปิดนะตาหูจมกูกลิ้นกายนั่งเฉยๆแล้วนะปิดหมดเหลือแต่ใจอย่างเดียวทีนี้นะปิดห้าช่องแล้วเหลือช่องเดียวซัดกรบมันให้ได้นะอย่าให้กินเหล็เข้ามาเข้ามาแล้วตัดทิ้งไล่มันออกไปอย่างนงี้นะคือเราเจ่ะอยู่ช่องเดียวละค่ะอืมนี่นี่คือเรียบเทียบกับว่าไอ้หประตูนี้เราปิดหมดแล้วนะ แต่ว่าระวังนะเดี๋ยวมีนกร้องกาทำเสียงไก่ขันคุณอย่าปรุงแต่งต่อเนื่องนะเวลาไปนั่งสมาธิตามที่ต่างก็ตามอย่างเงี้ยน ะ, ะมจะคอยช่องอยู่ตลอดเวลานลในชีวิตประจำวันของเราสามารถที่จะเอาธรรมะมาปรับประยุกได้เยอะจีฉันเจอเพื่อนเขากบอกว่าแหม่นี่เพิ่งฟังทำจากเอ่อซีดีของวัดหนึ่งพูดถึง มนะเหมือนกับอะไรอะไรเปรียบคนเราเหมือนผ้าคีริวนะคะโดยที่บอกว่าผ้าคีริวเนี่ยมันก็คือผ้าคีริวนะคะบางคนรังเกียจเลยด้วยซ้ําแต่ผ้าคีริ้วเนี่ยมันสามารถทําความสะอาดให้กับเราได้ใช่ไม่มีผ้าคีริวเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปทําความสะอาดโอเคเขาประทับใจมากเลยเพราะว่าบังเอิญมีหน้าที่เป็นเหมือนแบ็กอัพออฟฟิศนะคะทําให้คนอื่น ก, ก้าวหน้าโชว์ข้างหน้าตัวเองเป็นผู้ส่งเสริมความสําเร็จอยู่เบื้องหลัง อค่ะแต่ว่าเวลาจะหมดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยใช่นะคะก็คงจะถือว่าเป็นการสนทนากันสบายๆในยามเช้าท้งนี้ก็เจตนาเพื่อที่ให้ท่านทั้งหลายนั้นได้รู้ว่าสิ่งที่เรารเผชิญอยู่ทุกวันทุกวันในทุกๆเรื่องนี่แหละล้วนแตเป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะคะแล้วสามารถที่จะหยิบยกเอามาใคร่ครวนเพื่อให้เกิดประโยชน์ลองไปดูซิว่าจะประยุกต์เข้าทางกับมัสมีองแปดของพระพุทธองค์ได้อย่างไร หรือว่าศีมสมาธิปัญญางั้นใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะวันนี้ก็คงจะต้องนวัฒ ก, การขอบพระคุณท่านพบูลในโอกาสนี้ค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะท่านพบูลอยู่ที่วัดป่าดอนหายโุดอนธานีจะมีทอดกระถิ่นวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดคือสิบเอ็ดพฤศจิกายนค่ะเช่นเดียวกันกับวัดของพระมาชาควโรที่ดําเนินรายการในช่วงเช้านะคะช่วงก่อนหน้านี้ก็คือวัดนา ป, ป่าพงจะเกิดการทอดกระถิ่นในเดือนเดียวกันแต่ เป็นวันที่4นะคะเดือนพฤศจิกายนทั้งสองรายการนี้ถ้าท่านสนใจอยากจะไปทาบุญหรืออยากจะร่วมทาบุญก็ติดต่อได้จากทางเจ้าหน้าที่ของสถานีที่เดินได้ส่งอีเมลในรายละเอียดเกี่ยวกับการที่จะติดต่อได้อย่างไรไปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ขอไดบความคุณจากรายการสัมส น, ส น, นาดิฉันสัม น, นาณพงศ์พุท ว, ส, วสดีคะ่ะ